ซับที่อยู่ในแผ่นดิน94สิบสี่ที่ชื่อว่ารับที่อยู่ในแผ่นดินได้แก่ซับที่ฝังกลบไว้ในแผ่นดินภิกษุมีทยจิตคิดจะลักรับที่อยู่ในแผ่นดินแล้วหาเพื่อนไปด้วยหาจอบหาตระก้าหรือไปแต่ผู้เดียวต้องอบัตทุกกฎตัดไม้หรือเทาวันที่ขึ้นอยู่ที่นั้นต้องอบัตทุกกดขุดคุ้ยหรือโกยดินร่วนต้องอบัตทุกกจับต้องหม้อรั์ ต้องอบัตทุกกดทำให้ไหวต้องอบัตทุละใจทำให้เคลื่อนที่ต้องอบัตปาราชิกภิกษุมีทายะจิตหย่อนภาชนะของตน ล, ลงไปถูกต้องทรัพย์มีราคาห้ามาศหรือเกินกว่า5้ามาศกต้องอบัตทุกกดทำให้ไหวต้องอบัตทุละใจทำให้ทรัพย์เข้าไปอยู่ในภาชนะของตนหรือหยิบขาดจากกันขึ้นมาหนึ่งกำมือต้องอบัตปาราชิกภิกษุมีทายะจิต จับต้องซับที่เขาร้อยด้วยได้สังวานไส้อคอเข็มขัดผ้าสาดกผ้าโพกต้องอัดทุกกฎทาให้ไหวต้องอัดทุกกฎจับปลายยกขึ้นต้องอัดทุลละใจดึงครูดออกไปต้องอัดทุนละใจให้พ้นปากหม้อแม้เพียงปลายผมต้องอัดปาราชิกพิกษุมีทยจิตดื่มเนยใสน้ำมันน้ำพึ่งน้าอ้อย มีราคาห้ามาศหรือเกินกว่าห้ามาศกด้วยการดื่มครั้งเดียวต้องอบัตรปาราชิกทำลายทำให้หกเผาทิ้งหรือทำให้บริโภคไม่ได้ต้องอบัตรทุกกฎ